เพื่อฟังคำสอนพระอทรงองค์เจ้าชี้ทางให้เรารมเย็นจำใจเราต่างพลียพักดีกายใจชาติศาสตรสนากษตรไทยเราเธอทูลไวต้ตลอดกาล ววกเราจาพุทธมามะกะขอเชิญคุณพระปกปักรักษาเป็น่มโพคุ้มครองชีวาโดยจิตกุศลเมตตาเป็นสุขหันสาทวด ร่ม